Oh. Uh -huh. ที่เรามาทำความเพียรเจริญอบรมภาวนาให้กุศลธรรมจเจริญยิ่งขึ้นไป เพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัติหรือว่าผู้ภาวนาเราไม่คอยสำรวมไม่ทำความระลึกรู้หรือเจริญสติให้ต่อเนื่อง ก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยก็จะตามกระแสไปในเรื่องของกิเลสตัณหาหน้อยใหญ่นี่คือหลักสำคัญฉะนั้นการไหวพระกดีสวดมนต์ ส, สาธยายทำแผ่เมตตา หรือว่าเจริญในกุศลธรรมหรือในขั้นทานศีลก็สุดแล้วแต่นั่นก็เป็นหนทางที่เราเป็นผู้ไม่ประมาทในการดำรงไว้ซึ่ง ธรรมะและก็ศีละและฐานะให้กับชีวิตจิตที่เรายังวนเวียนกันอยู่ที่ยังกำหนดไม่ได้ว่าจะจบสิ้นหรือว่าสิ้นสุดในภพใดพวกเราเองก็ยัง กำหนดไม่ชัดเจนบางทีเราก็กําหนดได้แค่ว่าจิตขนาดนี้เป็นกุศลและธรรมก็มีความอิ่มเอิบบ้างเบิกบานบ้างร่าเริงบ้างบางครั้งก็บันเทิงใจหรือบางทีก็เบาปลอดโปรง่งโล่งสบาย หรือว่ามีความสุขความเย็นภายในจิตของกิจเราเองแต่ว่าบางโอกาสก็มันกับอยู่ตรงกันข้ามทั้งเราร้อนทั้งเดือดดาลทั้งแข็งกร้าวทั้งหดหดฉุนเฉียวทั้งอึดอัดเหมือนไฟไหม อยู่ภายในใจของตัวเองหรือบางครั้งก็รู้สึกเครียดแค้นชิงชังบางทีก็เจ็บปวดบางโอกาสก็โศกเศร้าจิตอย่างนี้เราไม่ควรที่จะไปติดหรือไปยึดอยู่นาน หรือว่าไปมั่นหมายอยู่กับสภาวะจิตเช่นนี้ทำให้เราเองมีสภาพทุกข์แล้วก็อยู่ปราศจากความสุขที่เราควรจะได้ ก่อนที่เวลาจะหมดไปนะมนุษย์ก็ผิดพลาดในข้อนี้เยอะที่ยังไม่เข้าใจว่าเวลาของพวกเราเนะี่ยไม่ได้มีเอาไว้ให้ยึดถือกับความทุกข์ที่ผ่านมาและที่กำลังเกิดและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็ตามมีแต่พวกเราต้องมีสติและก็ ฝ่าฟันทุกน้อยทุกใหญ่จนสามารถกำหนดรู้ทุกเหตุของทุกแล้วเราก็พยายามเจริญสติเพื่อจะดับเพื่อจะละเพื่อจะวางหรือเพื่อจะหลีกเพื่อให้ออกหลุดหรือพ้นไปจากสภาพแห่งความทุกน้อยใหญ่ ถึงบอกบางครั้งในผู้ภาวนาบางทีก็ต้องตัดใจกันบางครั้งก็ต้องยอมเสียสละกันบ้างเพื่อการใหญ่หรือเพื่อแลกกับอิสราภาพหรือเพื่อแลกกับ ชีวิตที่เรากักขังตัวเองอยู่บางครั้งก็ต้องปลดปล่อยจุดนี้ผู้ภาวนายังยังแบบเหมือนเราไม่ยอมตัดในบางอย่าง สละในบางเรื่องหรือว่าสงบอย่าไปวุ่นวายกับสิ่งที่มันมันเราพอใจหรือเราติดอยู่มากเกินเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ย ไม่เคยได้นอนหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขหรือว่าหัวเราะอย่างเป็นผู้มีอิสระโดยแทนะ้พวกเราก็เหมือนกับนักโทษถูกกุมขังโดยทางกิเลสตัณหาหรือทางจิตวิญญาณด้วยโลภโกรธหลง ฉะนั้นพอเราได้ภาวนาเจริญกุศลแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเราจะเห็นอีกฝ่ายหนึ่งเพียงแต่ว่าเราเย็นอยู่ฝ่ายไหนร่างกายไม่ได้ดีไม่ได้ชั่ว สิ่งที่ดีชั่วก็คือการกระทำจิตใจก็เป็นกลางๆางไม่ได้เป็นบุญหรือว่าเป็นบาปแต่ที่บุญหรือบาปก็คือในขณะจิตของเรานั้นเราอยู่ฝ่ายไหนเราเลือกฝ่ายไหนบางครั้ง จิตเราก็เฉยไม่ได้เป็นมารแล้วก็ไม่ได้เป็นพระเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วแต่ว่าพอเราคุ้มครองไม่ได้ปกป้องไม่ได้ดูแลรักษาจิตไม่ได้ ยามใดที่กิเลสมีกำลังก็ปรุงแต่งจิตจนทำให้เราเป็นมารใจก็หยาบขึ้นมองข้ามความถูกต้องมองข้ามสิ่งดีงามแล้วก็เวนโทษภัยเราก็ ไม่เอาสติมาระลึกแล้วใช้คำว่าสนองความอยากสนองความต้องการสนองใจตัวเองที่มากๆหรือที่อยากได้อยากมีอยากเป็นและก็ต้องการให้มันสนองเร็ว สุดท้ายคัดลองเนะี่ยมันผิดหลักแม้การภาวนาก็เป็นมารได้ญาติโยมผู้ใคร่ต่อธรรมทั้งหลายอย่าเข้าใจนะว่าการภาวนานะจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอริยะได้ฝ่ายเดียวเป็นมารก็มี ทำไมจึงใช้ก็ามาเป็นมานถ้าปฏิบัติสนองความอยากหรือปฏิบัติมีแต่ความต้องการมีแต่สิ่งที่ต้องบรรดาญผลให้สุดท้ายใจเราเองไม่สงบมันก็เป็นมารและคือจิตที่กั้นตัวเอง แล้วพอไม่ได้ดั่งใจก็เกิดบรรดาลโทษะเกิดปฏิฆะหรือแสดงสิ่งตรงกันข้ามทำให้เราเป็นคนที่ถูกมานสิงใจแต่คิดว่าเราอยู่ด้วยไฟธรรมเนี่ย มันไม่ใช่ฉันระวังจุดนี้ให้ดีผู้ภาวนานักปฏิบัติอะตมาเคยกำหนดดูบอกของจริงนิ่งเป็นใบของที่ดิ้นได้พูดได้ล้วนไม่จริงคำนี้ก็คือดูจิต จิตสงบจริงๆแล้วจิตที่ละได้จิตที่วางได้เขาไม่ต้องเรียกร้องแต่สิ่งนั้นจะปรากฏให้ตนได้ประจักษ์และสัมผัสได้รู้แจ้งตามธรรมโดยสภาวะของสติที่จเจริญอบรมจิต โดยคันลองของภูมิธรรมที่ปรากฏเกิดแต่ที่ไม่จริงก็พยายามเป็นนั่นเป็นนี่คิดนั่นคิดนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่ปรากฏนั่นปรากฏนี่รู้ไม่ว่าจิตเราเป็นมานตอนไหนรู้ทันแล้วว่ามานเกิดตอนไหนถ้ารู้ทันมาร ความโกรธมันก็สงบลงไปแล้วความโลภโมโทโสทั้งหลายนะใจก็ไม่ต้องเศร้าหมองจิตก็ไม่ต้องบู๊บว่าว่เหมือนไฟตกไฟเกินอย่างเงี้ยของพวกเรายังมีลักษณะไฟตกไฟเกินหรือบางทีก็หัวเทียนบอด เรื่องจริงถึงบอกว่าภาวนารักษาจิตมีสติกำหนดรู้ชะตาชีวิตมันมีโชคทั้งดีแล้วก็โชคทั้งร้ายโยมก็ต้องประสบกับโชคชะตาทั้งดีแล้วก็ร้ายอย่ามองเป็นเป็นเรื่องแปลก มันเป็นสิ่งคู่กันมาโยมเชื่อไหมว่าถ้าไม่มีสิ่งชั่วร้ายความดีก็ยังไม่ปรากฏไม่มีฝ่ายชัวย่วฝ่ายดีก็ไม่มีฉะนั้นทุกอย่างมันจะเป็นสองหน้าตลอด อย่างโยมอยู่ทุกวันนี้กลางคืนกับกลางวันเราใช้ชีวิตอยู่ทั้งยามราตรีและทั้งที่ว่าเราใช้ทั้งกลางวันกลางคืนต้องเข้าใจ เราเจอคนมีทั้งสูงเตี้ยมีทั้งดำขาวมีทั้งอ้วนผอมแล้วก็มีทั้งคนดีคนร้ายมีหมดแต่โยมจะเลือกได้ไหมว่าเราจะอยู่เลือกเสร็จแล้วเราจะไม่เจออีกฝ่ายหนึ่ง อย่าเข้าใจผิดต่อให้ปิดประตูใส่กรอนเรียบร้อยในบ้านของเราเองคำดีคำร้ายก็มีพี่น้องเราเองก็ยังมีสุดท้ายตัวเราเองก็ยังคิดดีคิดร้ายก็มี บางทีก็คิดจะทำรายผู้อื่นบางทีก็ยังคิดร้ายจะฆ่าตัวเองก็มีแต่ขอให้เป็นแค่ความคิดเพียงขณะและให้มันจบหรือดับไปอย่าให้มันใช้กายกรรมมาสร้างกรรมอย่าให้ใช้วิจกรรมมาสร้างเวรกรรมอีกเช่นพวกเรากำลังมีสติ รักษากายวาจารักษาจิตตาให้เป็นผู้ภาวนาคือให้เจริญไม่ให้เสื่อมฉันอะไรที่เป็นความเสื่อมแห่งจิตวิญญาณเนี่ยมันก็คือความมืดบอดผู้ภาวนาะต้องกำหนด พอกำหนดได้แล้วต้องชำระแล้วก็ขัดเกลา่าอย่าปล่อยจึงบอกผู้ภาวนานรู้จิตในจิตเพื่ออะไรถึงบอก การจะเริ ม, มาสติปัฏฐานทั้งสี่ที่จะมาเคยได้ยินบอกเอ๊ะจิตในจิตธรรมในธรรมกายในกา ย, กายสุขเวทนาในเวทนามันเหมือนพูดแบบให้สอนเข้าไปแต่จริงๆไม่ใช่สอนพูดให้เห็นสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งที่มีอยู่พูดให้เห็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้สิ่งที่ปรากฏที่มีอยู่ และเราจะมีวิธีจัดการกจิตภายในจิตนั้นอย่างไงถ้าจิตคิดชั่วอยู่หละภายในบางคนวางแผนได้เป็นเดือนเป็นปีจะทำลายสักอย่างหนึ่งก็ต้องรอโอกาสที่เหมาะอาจต้องมีการ รวมมือกันหลา ย, ลายฝ่ายเรายับยั้งมันได้ไหมก่อนระเบิดเวลาจะระเบิดเราสำนึกทันไหมเราแก้ไขทันไหมที่เราเคยคิดจะทำลายให้ร้ายเนะี่ยถ้าไม่ทันอกุศลกรรมวิบาก พอโตมันก็มากขึ้นทันทีก็เท่ากับว่าเราต้องใช้กรรมเกิดเวียนว่ายอยู่ในกระแสของชะตากรรมบิบากอันว่ามันยิ่งห่างจากฝั่งไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยพวกเรามันเหมือนกับ กำลังเข้าหาฝั่งทุกคนก็รู้สึกเหนื่อยสังเกตไมโยมโยมบอกคนที่ประสบความสำเร็จชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านไหนการศึกษาวิชาอาชีพอะไรก็แล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งทุกคนก็รู้สึกอยากขึ้นฝั่งอยากจะวางมือ นี่เป็นภาษาโ ล, โลกเราเขาจะอยากจะวางมืออยากจะลามืออยากจะล้างมือถ้ามันไม่สะอาดมือนะอยากจะล้างมือความหมายนี้รู้กันอยากจะวางมือบ้างอยากจะลามืออยากจะล้างมือหรืออยากจะทำให้มันจบลงดังนั้น จิตของมนุษย์แต่ละดวงที่เวียนเกิดตายวันหนึ่งคำหล่อนี้เป็นคำพิพากษาและโยมต้องลงมือทำดีไมด่ดีต้องทำด้วยตัวเองต้องแก้ไขด้วยตัวเองและต้องจบด้วยตัวเองจะสูญเสียเท่าไหร่เราจะเอาชีวิตมาชดเชยจะสูญเสียเท่าไหร่ เราก็ยอมรับสิ่งที่จะเกิดตามมาถึงบอกโอ้ในที่สุดคนนี้ก็ค้นพบความดีและก็ความชั่วค้นพบตัวเองไม่หลบไม่หลีกไม่หนีและก็ไม่ทำลายใครอีกยอมเป็นผู้ออกมา แล้วก็รับชะตาชีวิตถึงบอกเออธรรมาว่าคนนี้เขาเข้าใจสัจจะแห่งวิถีจิตเมื่อก่อนเข้าใจแต่ปากท้องเข้าใจแต่ชื่อเสียงเข้าใจแต่ยศอำนาจสุดท้าย เขารู้ว่าสิ่งนั้นทำให้เขามีความสุขจริงๆไม่ได้และสิ่งที่หลอกหลอนเขาอยู่ก็คือตัวเขาเองทำไมจึงบอกตัวเขาเองหลอกหลอนการกระทำไง อามาเชื่อนะผู้ที่มาปฏิบัติภาวนานะไม่ใช่ว่าต้องเป็นคนดีมาหมดทุกโหมดทุกคนหรือว่าเลวร้ายมาทุกคนไม่ใช่ทุกคนจุดเริ่มและจุดจบไม่เหมือนกันแต่ในระหว่างที่ดำเนินไปสู่ความเกิด และไปสู่ความตายนะสุดท้ายนิยามว่ายังไงโยมได้คำนิยามชีวิตไม่เกิดตายนะถ้าไม่รู้จากนิยามชีวิตโยมไม่พบคำว่าศิลปินหรือไม่เป็นศิละปะมองอะไรก็ไม่สวย ฟังอะไรก็ดูเหมือนไม่เข้าใจศิลป์ตรงนั้นถึงบอกเออต่อไปยมมองอะไรให้มองแบบมีศิละปะฟังอะไรให้เข้าใจความเป็นจริง เช่นหลายคนเมื่อก่อนชอบเอาตัวเองเป็นผู้ตัดสินผู้อื่นพอตั้งแต่ตัวเองโดนผู้อื่นตัดสินรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ใช่อาจะมาเลิกตัดสินคนมานานแล้วนะ่ะเป็นสิบสิบปีแล้วที่บอกคนนี้สมควรตายคนนี้สมควรอย่างนั้นคนนี้ทําอย่างนี้ต้องสมควรได้รับ บอไม่ใช่เราไม่ใช่สารตุรากาศเรามาใช่ผู้พิพากษาโดยเฉพาะเราไม่ใช่ผู้พิพากษากฎแห่งกรรมแล้ววันหนึ่งถ้าคนนั้นเขาคิดแบบเร า, แ ล, เ า, า, า, เราแล้วเขาพิพากษาเราล่ะเราก็บอกไม่ใช่ เราก็ต้องขอความเป็นธรรมตมาเลยเข้าใจบอกเออเราจะไม่พิพากษาใครชี้ให้เป็นหรือชี้ให้ตายหรือชี้ให้เขาต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ไม่ใช่ถ้าชีวิตเป็นหุ่นยนต์เมื่อไร่เราค่อยตั้งโปรแกรมแล้วก็สัง่งแต่ถ้าชีวิต ยังใช้ความคิดยังมีจิตวิญญาณอยู่เราตัดสินเขาด้วยตัวพวกเราเองไม่ได้แม้ตัวเราเองบางครั้งยังต้องให้การเวลาเป็นผู้พิสูจน์เลยใายต้องตัดสินวันนี้รอให้การเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ความเป็นมนุษย์ความเป็นคนความแข็งแกร่งความอดทนหรือความอ่อนแอธรรมะบอกเออเราพบสิ่งที่ควรเคารพและค่อนไม่ควรตัดสินใครด้วยอารมณ์ไม่ควรตัดสินใจด้วยใจตัวเองแต่ถ้าคิดช่วยเหลือคนคิดได้ตลอด แต่คิดจะพิพากษาคนอย่าเพิ่งคิดหน้าที่ของเราหมดตรงนี้โยมต้องว่าหลายคนถ้าไม่ได้แก้แค้นบอกไม่หายแค้นนี่คือความโง่ในข้อที่หนึ่งของชีวิตที่ควรเรียนรู้และจดจับอาตมาไม่ได้ว่าโยมโง่แต่มันเป็นความโง่ของจิต เราเจ็บเขาต้องเจ็บแล้วจึงหายเจ็บแหมถ้าเป็นหนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ต่มามองเห็นคณิตศาสตร์นี่ต่มาเข้าใจนะแต่ถ้าเราเจ็บเขาต้องเจ็บแล้วหายเจ็บมันไม่ใช่ไม่ใช่เราสูญเสียเ็าต้องสูญเสียมันจึงยุติธรรม ยมรู้ไหมคนคิดอย่างนี้ความคิดสั้นยมรู้ในว่าเบื้องหลังก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ก่อนที่เราจะเจอสิ่งนี้ก่อนที่เราจะได้รับชะตากรรมตรงนี้มันมีเรื่องอะไรมันมีเหตุอะไรกันแล้วรู้หรือเปล่าถ้ายังกำหนดชะตากรรมของตัวเอง อดีตของตัวเองจนถึงอดีตชาติตัวเองยังไม่ได้ยังไม่รู้ตลอดสายอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรที่บอกเมื่อก่อนแต่มาก็ไม่เข้าใจคำเหล่านี้หรอกอย่เรามองกันตรงแค่เฉพาะหน้าและสิ่งที่เราได้ถูกทำและสิ่งที่เรากระทำ เห็นแค่ตรงนี้เองแต่ว่าฉากหลังเนี่ยไม่รู้พอสติละลึกเราทำปฏิบัติภาวนาไปเรื่อยๆทุกขบอกของจริงนิ่งเป็นใบประโยคที่ได้ยกไว้พอรู้ได้เรารู้สึกเลยว่าสมควรละ สมเหตุสมผลที่เราเจอเสียบ้างได้รับเสียบ้างจะได้รู้แล้วจะได้จำไหมที่จำไม่ใช่จำคนอื่นจำว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราได้ทำเมื่อเราได้พลาดเมื่อเราได้ผิดชีวิตตัวเองก็ต้องตกอยู่สภาพเช่นนี้และยมจะร้องขอความเป็นธรรมจาก พันเท้าส ก, กะเทวราชท่านก็ช่วยไม่ได้ดันั้นคนภาวนาจิงบอกจะหมดเวรหมดกรรมได้นะตรงไหนยมทราบรู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรม รู้เวทนาในเวทนารู้กายในกายมิหน้าถึงบอกถ้าผู้จเจริญมหาสติจริงๆเขาบอกมีสิทธิ์บรรลุในเจ็ดชั่วโมงเป็นอย่างเร็วต่อมาว่าจริงหรือช้าอีกหน่อยเขาบอกเจ็ดวันช้าไปอีกเจ็ดอาทิตย์ ลงเลขเจ็ดหมดเลยเนี่ยอยู่ว่าสวยไหมย่ยาไปอีกเจ็ดปีเจ็ดชาติเป็นอย่างมากจริงหรือต่ำมากันนั่งดูมันง่ายเหรอบอกไม่ง่ายจริงต้องมีเจ็ดยืดไปเรื่อยๆไง มันได้ล่ะถ้าไม่ได้ก็ยังมีเจ็ดยืดไปอีกเจ็ดเดือนก็เป็นเจ็ดปีแต่ว่าเวลาไม่ใช่เงื่อนไขนะโยมแต่เงื่อนไขของพวกเราอยู่ที่ใจเราเองว่าโยมเข้าใจถ่องแท้ในสติปัญญา ในจิตตาตรงนี้แค่ไหนถ้ายอมรู้จริงเห็นแจ้งบาปจะไม่เกิดอีกเลยตั้งแต่วินาทีที่รู้แจ้งขึ้นมาคำพูดภาษานี้ไม่ใช่ดอกไม้นะแต่เป็นภาษาธรรมเป็นภาษาจิตเป็นภาษาชีวิต เกิดแก่เจ็บตายที่เข้าสู่สัจธรรมอันลึกซึ้งสุดที่จะพรลานาในแต่ละถ้อยคำที่จะแปลความหมายอย่างกินใจท่านใช้คำว่าดับศูนย์คำเดียวพวกเราอย่างไม่ถึงแล้วจิตของท่านดับศูนย์ท่านบอกแต่อย่างพวกเราผูม้มนะีกิเลสนาบอกจิตของเราสูญสิ้น ฟังแล้วเป็นไงโยมแป้วเลยนะดับศูนย์ของพระอาหารหันต์กับศูนย์สิ้นอย่างของปุถุชนเนี่ยโอ้โหมันคนเราฟากฟังกันท่านท่านบอกท่านเห็นแจ้งของเราบอกเห็นอะไรท่านบอกรู้แล้วท่านานบบอกรู้อะไรมันคนเราภาษา ท่นบอกท่านเข้าใจแล้วอนนบอกเข้าใจอะไรยังมีคำอะไรอยู่สุดท้ายก็บอกว่าทำไมต้องเป็นเช่นนี้อา้าวแล้วไม่ถามกลับแล้วทำไมจะไม่เป็นเช่นนี้ยงเคยถามตัวเองใช่ไมทำไมถึงเป็นอย่างนี้ต่อไปย้อนจำข่าอาตมาแล้วทำไมจะไม่เป็นเช่นนี้นั่งหัวเลาะอะไร หัวเราะเลยทำไมต้องหัวเราะเราลืมถามตัวเองเราลืมเรื่องที่ก่อนจะเกิดเพราะอะไรส่วนมโยมจะบอกก็ไม่เกี่ยวโยมไม่เกี่ยวโยมไม่รู้เรื่องแต่ทุกทีพอมีเรื่องเกี่ยวทุกทีเกี่ยวจน ไม่รู้เนื้อขาดไปกี่ครั้งแล้วกระโปรงขาดไปกี่ครั้งแล้วเย็บกันไม่รู้กี่รอบแล้วเกียรบอกเออสุดท้ายจิตในจิตย่มเชื่อไหมคำเดียวในจิตในจิตเนี่ยย่มต้องภาวนาจนเหมือนกับได้ยินลมหายใจตัวเอง ได้ยินแม้แต่หัวใจตัวเองที่เต้นตุบตตุตุบตุบ ต, บ ต, บ ต, บ ต, บตุบจนสุดท้ายได้ยินแม้แต่จิตของตัวเองไม่ใช่แต่หัวใจอวัยวะที่เต้นแม้แต่เสียงเรียกร้องในจิตของตัวเองจะได้ยินพอถึงวันนั้น บางครั้งโยมจะรู้สึกสังเวชตัวเองและสงสารคนอื่นและไม่อยากจะฝืนชะตากรรมและไม่อยากจะปล่อยชะตาชีวิตให้ไหลไปกับความแก่เจ็บตายที่กำหนดไม่ได้ก็คือจบสิ้นเมื่อไหร่เรากำหนดไม่ได้ฉะนั้นเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีของโยมน่นะ ถ้าเจริญจริงๆนะสุเกิดมีสติกำหนดรู้แล้วไม่ยินดีในสุขแล้วก็ไม่ได้ยินร้ายในสุขแต่รู้สุขเกิดยังไงสุขตั้งอยู่ยังไงสุขดับไปแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้ติดสุขพอทุกเกิดกำหนดรู้ทุกไม่ได้ยึดถือทุกแต่ลักษณะทุกทนได้ยากรู้ ปรากฏอยู่ก็รู้ทุกดับไปแล้วก็รู้แล้วไม่ได้ติดอยู่กับทุกทําได้ไหมล่ะทําได้เจ็ดวันบรรลุจริงๆไม่ได้พูดเล่นอันนี้บอกโยมบอกรู้แต่ฉันทําไม่ได้ถอนหายใจก่อนสักรอบหนึ่งเฮ่อเอาโอเรียนมาแก้ถอนเส้อนออกรู้ใช่ไหมรู้ โกรธไม่ดีแต่สันไม่มีอะโลภไม่ดีอยากได้จะไม่มีอะใจมันลดละมานะอัตตาตัวตนไม่ได้มันยังยินดีในภพในภูมิในชาติที่เห็นโยมยังสละสิ่งจอมปลอมยมสละสิ่งสมมุติในโลกใบนี้ไม่ได้ จิตของเราก็สงบอย่างแท้จริงๆน่โดยธรรมน่ไม่ได้ได้แค่อย่าสึกชั่วครู่ชั่วยามสงบสึกในสักเวลาน่แต่พอเกิดจิตที่มันปรุงแต่งเรียกร้องอยากได้อยากมีอยากเป็นประกาศสงครามใหม่อีกแล้ว จับอาวุธกันใหม่สู้กันใหม่มีแรงแล้วนี่มีอาวุธมีเบียงเอาสู้กันอีกพอสู้เสร็จก็บอกให้อย่าศึกพอรบกันเสร็จตายกันเสร็จก็เออทำลายเสร็จก็มาบูรณะมาซ่อมแซมมาสร้างกันใหม่น้ำเนา่าน้ำเนา่า พอได้ผลประโยชน์จากใครก็พูดดีกันจังเลยนี่กิเลสมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนเลยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแต่มาไม่ได้โทษใครนะบัตรนี้ก็ยังเป็นอยู่พอใครหยิบยื่นผลประโยชน์ให้จากร้ายก็เป็นดีเซียมซีไปนี้บอกเมื่อเงินมาท้องฟ้าแจ่มแน่ดวงดาวสกาวผ่องใสมองหน้าใครยิ้มแยม้ม มีไมตรีไปไหนมีพวกอุปถรัรมภ์คำชูป้าโทพอดีมันจะดีไปหมดเจิดจ้าเลยนะพอน้ำมันหมดลงจากรถเข็นขี้แตกเลยโยมทีนี้แถมพวกไม่ช่วยนะบีปแปรไล่ะอีก ม, มาขวางทางเดี๋ยวก็ชนจะหรอกนะเออมนุษย์ เราไม่มีพรมวิหารไม่มีเมตตามนุษย์เราเอาสิ่งสมมุติมาเหยียบย่ำมนุษย์ก็เกลียดกันที่ถูกดูถูกก็พยายามปีนไปว่าตนจะไม่อยู่สภาพตรงนี้จะต้องไปอยู่เหนือคนแต่ไม่ใช่ยอดคนมันก็เหมือนไก่อยู่ในล้าวโยมดูขี่ขึ้นไปก็จิกกัน สุดท้ายมันก็อยู่ในล้านั่นแหละไม่ได้ดีกว่าตรงไหนแต่มาบอกเออเขายังไม่รู้จุดจบเขายังไม่รู้ขนทางที่ดำเนินเขายังไม่เข้าถึงธรรมในธรรมที่เป็นสัจจะแห่งชีวิตติดสมมุติ พะขาดผลประโยชน์ก็ทำลายกันอีกเมื่อไหรจะเลิกเนี่ยตมาว่าลิปซึมมันซึมเข้าไปแล้วมันซึมเข้าไปในเนื้อในเอ็นในหนังในกระดูกในชีพิตแล้วเช่นจึงบอกทุกวันนี้มนุษย์พอผลประโยชน์หยิบยื่นให้ก็ เรามาเป็นเพื่อนกันนะพอขัดแย้งกันจากเพื่อนก็หมางเมินจากหมางเมินก็ขัดแย้งสุดท้ายก็เป็นศัตรูกันมเมื่อไหรจะเลิกนิสัยนียท้ทีดีกรี ป, ปริญญาก็พยายาม มีจนถึงระดับด็อกเตอร์แล้วระดับศาสตราจารย์แล้วเนี่ยนะแต่วงจรนี้ก็ยังดำเนินอยู่ถึงบกอกอาตมาก็ไม่โทษใครนะเพราะว่ามนุษย์พวกเราเอาสิ่งนี้มาเป็นตัวชูขึ้นมาอเออและสุดท้ายมนุษย์ก็มาแย่งชิงกับสิ่งเหล่านี้ ถึงบอกว่าผู้ภาวนาได้สติแลายอย่างบางอย่างมึบอกตัดได้ไหมโยมตัดไม่ได้สิ่งรึงรัดมัดพบให้ติดก็ต้องมีต่อโยมสละได้ไหมเมื่อสละไม่ได้อิสระชีวิตก็มีไม่ได้ แม้จะถูกปล้นไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าของเราหายไปบางอย่างยงเคยของหายไหมถ้ายิ่งเป็นของรักของชอบของมีค่าโอ้โหวันนั้นความสุขหนึ่งวันนั้นไม่มีแล้วเป็นชีวิตที่ขาดทุน โยมหาได้ตามได้สิ่งที่หายแต่ใจของโยมต้องมีสติแล้วก็หายจังมีสติเมื่อทุกอย่างมันออกมาในแบบไหนโยมก็ต้องยอมรับแล้วก็จบมันให้ได้ถ้าเจอก็ควรดีใจ ก็ดีใจแต่อย่าให้มากนะักเพราะสิ่งที่เราครอบครองอยู่ทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงภาวนาถึงข้อนี้เลยอย่างถ้าถึงแล้วอย่าลืมพวกเราครอบครองโดยความไม่เที่ยงสมมติหายแล้วมาเจอควรดีใจไม่ดีใจแต่อย่าให้มากเกินเพราะ เราครอบครองโดยความไม่เที่ยงพอเข้าใจเสร็จก็ดูแลรักษาไปวันหนึ่งเราไม่จากสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จากเราจะจากด้วยน้ำตาจากด้วยออรอยยิ้มจากด้วยความเข้าใจหรือจากด้วยความไม่เข้าใจจากด้วยความสูญเสียหรือจากด้วยใจที่สละได้ ยอมดูพระพุทธเจ้าในครั้งสุดท้า ย, ยก่อนที่จะเสด็จไปเมืองกุสินาราเพื่อปรินิพานได้มองพระนครยืนนิ่งอยู่นานเลยนะทอดพระเนตรไปเนี่ยมองอยู่นานโง แล้วก็ได้ดำริว่าเป็นการได้มองเห็นพระนครครั้งสุดท้ายเป็นการได้เห็นครั้งสุดท้ายเป็นการจากที่ไม่กลับมาอีกเลยถ้าเป็นอย่างเราเรายอมว่าใจเราแห้วไม่ยมาย่ม ใจเราเหี่ยวไหมเฉาไหมรู้สึกเสียดายสูญเสียไหมทุกอย่างที่เห็นที่มองอยู่เราจะไม่กลับมาสัมผัสมารับรู้และไม่ได้มามีชีวิตอยู่ตรงนี้อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของบุคคลสถานที่ที่เคยนั่งเคยนอนเคยอยู่เคยกินทุกอย่าง พระองค์ก็มองแล้วก็เสด็จพระไปโดยที่ไม่ได้หันหลังกลับมาเหลียวดูอีกเลยไปด้วยจิตที่ว่างเปล่าโยมมืว่างเปล่าจากอะไรความยึดมั่นถือมั่นว่างเปล่าจาก ความทุกโศกทั้งหลายที่เดินออกมาพระองค์รู้สัจธรรมที่เกิดที่ตั้งที่ดับมันสิ้นสุดแล้ววันนี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ยายต้องเสียใจอีกร้องให้ไม่ใช่ปัญญาถ้าเสียดายมันก็ยังไม่ใช่ผู้หลุดโลก จึงบอกเออยอมทำได้ไหมล่ะถ้าจเจริญมหาสติถ้าทำได้ไม่ต้องรอเจ็ดวันเอาเจ็ดชั่วโมงนี่แหละไม่ธรรมดานะถึงบอกเออบางครั้งเวลาภาวนาตมาก็เคยรู้สึกได้นะ่ะจิตที่บางทีมันมันรู้สึกว่าเราว่างเนี่ยนะ ถ้าจิตเราไม่มีเครื่องผูกเนี่ยต่มาพอที่จะเทียบเคียงนะว่าบรรดาเหล่าพระอราหันต์จิตที่เรียกว่าวิมุตติสุขเนี่ยความสุขที่ท่านหลุดออกจากทุกอย่างที่ไม่ค้่องให้จิตของท่านต้อง เศร้ามองกับสิ่งใดอีกโอ้โหเป็นสิ่งที่สวยงามมากเป็นสิ่งที่ท่านทำได้งดงามมากเป็นสิ่งที่สวยงามจริงๆสวยงามมากตมะบอกโอ้โหมิหน้าท่านจึงไม่เห็น สมบัติภายนอกจะสวยกว่าสิ่งที่ท่านมีอยู่สวยงามจริงๆแลยมจิตของเราบิวตี้ฟูลไหมสวยงามไห ม, มแต่ของท่านงดงามสวยงามบอกเออ ท่านพบกับว่าเพอร์เฟกจริงๆเนอะจิตที่มันสมบูรณ์แล้วไม่ไม่ขาดอะไรเลยไม่ต้องร้องขออะไรอีกไม่ต้องอยากได้สิ่งใดอีกว่าโอ้สุดยอดพระพุทธเจ้าไม่เคยร้องขออะไรเลยเห็นไม่ยอมพอรัสรู้ทมแล้วไม่เคยขอเลย แต่พวกเรานี่ยังเป็นผู้ขอไงผู้ที่เข้าสู่ธรรมแท้ๆนะจิตที่งดงามสวยงามแล้วเนี่ยท่านสมบูรณ์ทุกทุกทุกอย่างแล้วนะเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้ขอทีงบอกเออ พวกเรายังขออยากไปนั่นได้ความสุขถ้าได้นี้มาก็จะเป็นอย่างนั้นพวกเราเป็นได้แค่สมมุติสุขไม่ใช่วิมุตติสุขถึงบอกฟังแล้วมันก็คำก็ไม่ได้ห่างกันนะพวกเรานี้สมมุติสุขแต่ผู้เจริญมาสติที่สมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยเป็นวิมุตติสุข โยมลองระลึกดูจริงไหมพวกเราสมมติสุขนะเอาสุขอะไรของโยมลองเทียบเคียงดูเมื่อวันวันก่อนเมื่อเจ็ดวันเดือนก่อนแล้เป็นไงจิตมันหลุดพ้นเลยยังยังบอกบางอย่างยังละไม่ได้บางเรื่องยังสละไม่ได้บางสิ่งยังตัดใจไม่ได้ จึงบอกเออใจดวงนี้จิตภายในจิตโยมกาหนดถึงแก่นแท้ไหมกาหนดถึงแก่นแท้ไหมล่ะถ้ากาหนดเล่นๆก็ได้ของเล่นไปแต่ถ้ากาหนดจริงๆ จ, จนนิ่งถูกนิ่งเป็นใบคือไม่ขอนะ่ะแต่ถ้าจิตโยมนั่งยัง ขอแบบจันทร์เจ้าอยู่ไม่ไหวอขอจังเลยขอเตียงขอตังค์ขอเวนขอช้างขอมาขอละครจนถึงขอใหญ่ชูนะสุดท้ายบอกขอไปทีเอยมขอบ่อยไหมบอกขอไปทีเถ มันไม่ใช่ทางรอดที่แท้จริงนะขอไปทีเนะี่ยมันเป็นการแค่เอาตัวรอดไปแต่ยังไม่ใช่วิธีรอดอันปลอดภัยเทนี้การพอนายโยมพอกำหนดได้ถึงบอกถ้ามาพูดดูลมดูลมหายใจดูพุท ด, ดูโทจะบอกเริ่มต้นเราก็พูดกันตรงนี้แต่ว่า ในระหว่างที่เดินทางน่ะถ้าโยมไม่เข้าใจอะไรมากกว่าคำว่ า, าพุโทโธดูลลมธรรมาบอกเหนื่อยตายเลยเหนื่อยตายเริ่มสตาร์ทธรรมาบอกโยมแบกน้ำคนละถังนี่ก็ซื้อเลยแบกอย่างเชื่อกูบาอาจารย์แล้วจะเจริญธรรมาบอกโง่เลยเขาแค่ทดสอบหนักก็วางสิหิวก็กิกนด้วน้ําแบกมาทําไมเนาะ พอเรามันก็ต้องมีเชาวมีปัญญามีวิจารณญาณมันต้องรู้จักการพลิกแพลงสถานการณ์แก้ไขเหตุการณ์แล้วก็ต้องรู้จักความจริงที่เวงอยู่ตรงนั้นโอ้หนักก็ว่างสิร้อนก็ น, น้ำไปอาบไปพรมหน้าก็ได้ ยมจำได้ไหมตอมาเคยยกตัวอย่างเรื่องอร่มหนึ่งคันเนี่ยตมาถือถือถือร่มไปแดดออกจ้าเลยเดินกว่าจะถึงรองเท้าก็ไม่ใส่ที่ไม่ใส่นี้ไม่ใช่เป็นแฟชั่นใหม่นะไม่ใช่คือมีสติอยากสัมผัสกับชีวิต เจ็บร้อนเรารู้สึกยังไงเมื่อสัมผัสเรวมีสติกำหนดไปเดินเราก็รู้ในเวทนามีเย็นมีร้อนมีเจ็บมีปวดอ่ะนั่นก็ผ่านไปเถอะพอแดดออกจ้ากลางกลางร่มเลยเปิดปื๊บ ก็ยังชั่วสักพักลมมาบูบาบเมฆต่าลงอีกไม่นานฝนก็ตกลมก็โชกโอ้โหเวอวบเพือ่อจะไปไว้ทั้งลมทั้งคนเดี๋ยวจะพังลมก็แรงเลือกเกินฝนก็หนักนึกเลยมันกระชากตัวแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ปิดถ้าไม่ปิดร่มร่มก็พัง ตัวเราเองก็ส่งตัวไม่ได้รีบดึงเรารีบหุบลมลงหุบลมก็เปียกเเออเปียกเปียกเดินยิ้มไปแล้วก็ถามตัวเองแล้วถือถือร่มมาทำไหมบอ ก, กบอกเหนือการควบคุมอ่า ปัญญามันต้องต่อเองบอกเหนือการควบคุมถ้ากลางร่มก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เปียกแถมภัยจะตามมายิ่งเดินอยู่ไหลาทางลมมันตีจะดึงตัวเองทรงตัวไม่ได้ยื้่อยู่กับกับร่มเดี๋ยวก็ลดเฉียวหรือไม่อย่างนั้นถ้าดึงไว้แรงกว่าลมมันก็พังเลมันก็ไม่ได้แข็งแรงมากหรอกถ้าความเร็วของลมมาระดับ ห้ 5, 60, าหกสิบไม่ต่อชั่วโมงเนี่ยนะมันจะเหลือเลยโยมปิดเอพอปิดก็ถือล่มกลางก็เปียกไม่กลางก็เปีย ก, ย ก, ล ก, ยกแล้วไปกลางทำไมให้พังเก็บเดินยิ้มภูมิใจฉลาดจังเราถือล่มเดินตากผลนิฉลาดจังเลยพอ ฝนหยุดตกถือร่มก็บอกอา้าวไปกลางร่มยังไงพระอาจารย์กลางร่มจนเปียกหมดอายก็ตายได้พูดแต่นึกอยู่ในใจบอกเออเราฉลาดคนอื่นก็ไม่รู้นึกว่าโง่ช่างมัเธเถอไะไรอยู่มาฉลาดหรือโง่่ยังรักษาร่ม อยู่ได้ก็ถือว่าฉลาดแล้วถ้ายังโง่อยู่ก็ร่มก็พังไปแล้วขาดไปแล้วดีไม่ดีดึงตัวเราตกสะพานไปแล้วทึงบอกยงเข้าใจไ้ยคำเหลานี้ทึ่บอกมอรสมชีวิตถ้ามันหนักหนาศาสากันเนี่ยสติตั้งให้ดีแล้วก็เลือก ชีวิตที่จะต้องอยู่ให้รอดอย่าท้ออย่าถอ ย, อ ย, ถ อ, ยอย่าถูกฉุดไปจนเราขาดสติเราต้องเลือกบางอย่างต้องตัดสิ่งไหนก็ต้องตัดแม่สิ่งนั้นที่อยู่กับเรามาทั้งชีวิตถึงเวลาแล้วตัดก็ต้องตัด อย่างไฟไม่บ้านโยมบอกบ้านกูบ้านกูของกูกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูยอมตายตรงนี้โยมมันฉลาดไหมกูเพิ่งส้างของกูของกูกูเหนอยทั้งชีวิตกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูยอมตายบ้านกูของกูถ้าเนตมานะพอเริ่มติดตมาก็วิ่งแล้วโยมเอาสร้างบ้านมาเผาเองให้ตายเนี่ยนะ ฉลาดจังฮะไม่ไปเยืนดูข้างนอกมันกว่าเยอะอย่างน้อย ก, ก็ได้เห็นเพลิงไฟเป็นแสงสว่างเออถึงบอกชีวิตสุดท้ายก็ต้องเลือกชีวิตไม่ได้เลือกวัตถุแค่นี้ก็ทดสอบเห็นแล้วแต่คนไม่เข้าใจไปเลือกวัตถุและยอมให้ชีวิตตายไปกับวัตถุตมามบอกต่อให้ กอดกระเป๋าเงินตายไปพร้อมกับเงินกอดกระเป๋าเพชรตายไปพร้อมกับเพชรหรือกระเป๋าสมบัติและตายไปนะแต่มาบอกคนนี้ไม่เจริญสติแม้แต่น้อยเลยใจยังผูกยังยึดยังมัดอยู่กับไอสิ่งเหล่านี้อยูนะ่อยู่ก็ไม่มีอิสระตายไปก็ยังไม่พ้นภัยอีก อย่างมากก็ต้องใช้กรรมจิต ด, ดงสุดท้ายมันยังห่วงสมบัติก็เฝ้าต่อยเรื่องอะไรอันนี้เป็นหนึ่งิทานเล่านะที่ตะมาได้ไปประสบทางอีสาน ร, รู้สึกจะอยู่แถวใกล้ๆเขตแดนตะมาไปตะมาก็ไปนั่งภาวนา ยมจะไม่นั่งมันกัมีสัตว์หรือนอกเขาแมวหรือนอกอะไรจะบินจะตีหน้าตีหัวตวมานะวูบผ่านมาสมอกเออล้วก็รู้นั่งแผเ่เมตตาแล้วก็บอกเขาว่าเรามาดีไม่ได้มาเพื่อประสงค์สิ่งภายนอกที่เป็นสมบัติของผู้อยู่หรือของผู้ตายแต่เรามาเพื่อ แผ่เมตตาจิตมาภาวนาท่านไม่ต้องห่วงหรอกเราไม่ได้มาเอามาแย่งมาชิงของใครสักคู่นกเดินก็หายไปและอยู่ๆก็มาเป็นนิมิตนินิทานนะเป็นนิมิตคล้ายๆกับ ร่างของมนุษย์ที่ผอมโซนะเสื้อเขาไม่ได้มีนะเขาไม่ได้ใส่เสื้อมีแต่ปั่นเดียวคล้ายๆเป็นผ้าขามาแล้วก็เนบไปที่เอวนะคล้ายคนยุคเก่าที่เขาปั่นเสียบแล้วช่วยกันยกมันก็แค่เป็นหีบ เป็นเป็นหลังนะเป็นหลังไม้ยาวประมาณสักประมาณหนึ่งเมตรประมาณหนึ่งวาเราเนี่ยว่าแต่นหนักยกไปยกไม้งั้นถ้ามาดูบอกเหมือนสมบัติที่ถูกสาบแช่งไว้ครั้งมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ใช้ ครั้นตายไปก็ไม่ได้ไปผุดเกิดที่ไหนกรรมวิบากก็ยังผูกอยู่กับตรงนี้เมื่อไรจะพ้นจากชีวิตที่ถูกครอบงำอยู่ด้วยจิตที่มีโลภหรือที่มีความประณีอยู่นั่งสารนยกอยู่งั้นยกไปยกมาหนักก็หนัก ออจิตเขายังติดในภพเขายินดีในภพมากเขายังติดในภพก็ไม่สามารถหลุดพ้นในบ่วงกรรมนี้ได้ไม่รู้ต้องชดใช้อีกนานปีของปีมนุษย์หรือว่าเป็นปีทิพย์อีกเท่าไหร่ แม่โยมถึงบอกพอถึงเวลาตรงนั้นแล้วมันไม่ใช่สมบัติแต่มันเป็นวิบัติไม่ใช่ความสุขจากสมบัติแต่มันเป็นความทุกข์ที่วิบัติเกิดจากเราไม่เจริญสติไปหลงสมมติจนจิตนั้นถอนไม่ได้ฉะนั้นผู้ภาวนานักปฏิบัติ พวกเราเนี่ยอย่างน้อยก็เบาบางแต่มาเชื่อในสิ่งที่มองและสิ่งที่เห็นว่าพวกเรานี้มาถึงจุดนี้เบาบางหลงแล้วก็ภายภาคหน้าแต่มาเชื่อว่าพวกเราสุดท้ายจะเลือกรู้จิตในจิต แล้วสามารถจะสะละทุกขเขตของทุกข์และความดับทุกขการก้าวออกจากทุกข์ในจิตนั้นได้อย่างแท้จริงพวกเราวันหนึ่งก็ทำได้แต่ก็ต้องสั่งสมอินทรียบารมีอบรมจิตไปเรื่อยๆก่อนจนเราไม่หวั่นไหวกระแสโลก ไม่ทำให้จิตวันไหวซึ่งมีกระแสธรรมเป็นสิ่งจูงใจชักนำให้เรานะไม่หลงติดและได้เอาสติคอยกำหนดหรู้ทำไปจนจิตของเราเย็นลงสงบลงไฟแห่งโทสะก็ดับไฟแห่งราคะก็ดับไฟแห่งโลภะก็ดับ ความมั่นหมายความถือเนื้อถือตนทั้งหลายก็สงบลงถึงบอกว่าผู้ภาวนาจำคำนี้ไว้ตมาผู้สมทิฏฐิมานะฆ่าปัญญามานะทิฐิข่าคนโง่ถ้าคนมีทิฐิมานะหรือมานะทิฐิสุดท้ายยมจำไหมหนึ่งขอโทษคนอื่นไม่เป็นสอง อาภัยให้คนอื่นไม่ได้มันเป็นความหายนะของวิญญาณจิตดวงนั้นสุดท้ายก็ถูกจองจำด้วยแรงผูกพยาบาทอาคาตแรงนิสยาแรงหึงห่วงแล้วก็แรงกรรมที่ติดในภพที่เกิดมาทุกๆเรื่องอาภัยไม่ได้ ขอโทษไม่เป็นโอ้โหถ้าเราผิดผู้ใหญ่ก็ขอโทษผู้น้อยได้มันไม่ยากหรอกขอโทษผิดแล้วเมื่อรู้ว่าคนอื่นผิดใจเราต้องสูงอภัยได้อย่าไปผูกว่าคนนี้เลวคือต้องเลวทั้งชีวิต ไม่มีอะไรดีเลยต้อมาบอกตรงเนี้ที่ว่าเป็นมานะถือกันอยู่ลดละผิดเรื่องหนึ่งไม่ใช่ต้องผิดทุกเรื่องศี่ห้าข้อผิดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้หมายถึงว่าต้องผิดอีกสี่ข้อแต่มนุษย์ความถือตัวเนี่ยพอมองอะไรไม่ถูกใจไม่ดี ข้อหนึ่งสองข้อก็เหมารวมเลยแต่มาบอกมนุษย์จิตใจอย่างนี้ภาวนาไปไม่ได้แล้วบางคนเห็นใครดีกว่าก็ร้อนใจใครดีกว่าอยู่ไม่เป็นสุขใครดีกว่าก็รู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยแต่มาบอกภาวนาไม่ไปไหนเหมือนภายวนอยู่กับตัวเอง ต้องมีเมตตาปรารถนาให้คนอื่นมีความสุขใครได้ดีกว่าจะมาสาธุตอนนี้จริงพระสง์องค์เนรเมจีญาติโยมบอกใครมีคุณธรรมดีใครได้ดีเจริญหน้าที่การงานฐานะมั่นคงดีมาโอสาธุไม่ได้มองให้พวกใครนะรแต่คนละพวกไม่ชอบเขาดีเราก็รู้สึกอึดอัดไม่เอา ยินดีกับคนหมดแล้วเนี่ยใครทำที่ไหนได้ดีได้เจริญโอ้ที่นั่นปฏิบัติดีครูบาอาจารย์ดีมีผู้นำพาโอ้สํานักนั้นเก่งดีโอสาทุ่ฟังแล้วไม่ใช่ดีกว่าเราแล้วใช่แล้วไม่จริงวะอ่าไม่ใช่จิตใจอย่างนั้นเลิกเลิกเลิกใครบอกดีใครบอกเจริญบกษาทุจริง โอ้ถ้าเขาบอกพระองค์ในท่านปฏิบัติดีเทศดีโอโหแยนยมนับถือสาธุศาสนาจะได้เจริญยมจะได้มีที่พึ่งเราไม่ใช่ปฏิบัติเอาความเป็นหนึ่งหรือเอาความเก่งหรือเราต้องอยู่เหนือคนอื่นถ้าคิดอย่างนั้นไปไม่ได้ั้นจิตใจของ ผู้ภาวนาต้องเปิดกว้างในโยมเปิดกว้างเมตตาสติปัญญาสําคัญนะเมตตาสติปัญญาอย่าลืมนะชีวิตผู้ภาวนาเมตตาสติปัญญาถ้าครบมีทั้งเมตตามีทั้งสติมีทั้งปัญญาเนะี่ยแต่มาว่านารกพวกเราคงไม่ได้ไปแล้วล่ะ ที่ผ่านมาแล้วถึงจะสร้างบาปมาบ้างแต่กุศลที่เราทำในภายภาคหน้าเนี่ยมีกุศลที่มีกำลังกว่าก็จะส่งไปสู่จิตที่มีสุกติแต่เมื่อไรพอเราหลุดอกุศลเกิดหรือจิตตกแลวหยุดการเจริญกุศลเราวางไว้มันเหมือนเรือรั่ว แล้วยังมีสัตว์ร้ายกำลังตามอยู่เนี่ยทันเมื่อไหร่มันจะจมแล้วก็อย่าหวังว่าจะโผล่ขึ้นมาได้หายไปไม่รู้นานเท่าไหร่จมลงสู่ทุกขติภูมิฉะนั้นอย่าหยุดในการสร้างกุศลจะจนมากดีมีจนแค่ไหนก็ตามทำไปตามเหตุไม่มีปัจจัยก็ทำาดยสวดมนต์ไหวพระภาวนา น, นั่งสมาธิถ้ามี กําำลังทรัพย์ไม่มีเวลาแล้วก็สร้างทานบารมีไปแล้วก็ไม่สร้างบาปเวณให้คนอื่นต้องเดือดร้อนอย่างน้อยก็คือเราปกป้องคุ้มครองไม่ให้เราไปสู่ทุกขติได้ก็สมควรเวลาขอายุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ต่อไปเราก็ไว้